3. โอวาดวค10พระโหนิสัจฉสิกขาบทว่าด้วยการนั่งในที่รับเรื่องพระอุทายี 198. สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่นาพระเชตวันอารามของอนาถบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นอดีตพรยาของท่านพระอุทายีบวชในสำนักภิกษุณีทั้งหลายภิกษุณีนั้นมาที่สำนักท่านพระอุทายีเป็นประจา ท่านพระอุทายีก็ไปสํานักของภิกษุณีนั้นเป็นประจําสมัยนั้นท่านพระอุทายีนั่งในที่รับกับภิกษุณีนั้นสองต่อสองบรรดาภิกษุผู้มักน้อยพากันตําหนิประนามโพลท น, นาว่าฉนัยท่านพระอุทายีจึงนั่งในที่รับกับภิกษุณี2ต่อ2เล่าครั้นภิกษุเหล่านั้นตําหนิท่านพระอุทายีโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ